อ๋อมีความทุขกันทุกคนดูดีๆนะพระเหล่าชีเร า, เราสามนเนินพิจารณาปฏิสังขายกกะประมาณในการครบชันน้องตัวเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งแต่ละวันแต่ละวั น, วนตื่นขึ้นมาเราพยายามสร้างความขยันมันเพียนสร้างความรับผิดชอบละความเจ็ดคลานปรปับปุงใจของเราแก้ไขใจของเราให้อยู่ในความอ่อนโยนหนักนั้น ไม่หวั่นไหวไอ้โ ย, ยมอะไรเสื่ อ, อลไยๆนะ เ, เข้ามานี่ม <S <S ชื่ออะไรชื่อปภัยใช่ไหม <S <S <S เอเอนั่งกี่ตรงโน้นม <c oughs> าอยู่วัดได้นานยังปีกว่าปีกว่าแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดหลวงพ่อก็อนุเคราะห์ให้ให้มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่หลับพี่นอน อนุเคราะห์ให้ทําไมถึงไปแสดงกิริยาท่าทางมันกับแม่ค้าปากตลาดไปเที่ยววะว่าพระคนโน้นว่าพระคนนี้ว่าชีคนโน้นคนนี้อยู่ทั่ววัดพิจารณาตัวเองมันเหมาะสมแล้วหรือยังเหมาะสมแล้วก็ออกจากวัดใช่ไหมนะหลงพ่ออนุเคราะห์มาให้นานแล้วถ้ามาแสดงกิริยาท่าทางไปเที่ยวดา เหมือนก็อยู่ปากตลาดแล้วใช้การไม่ได้แทนที่จะมาอบรมตัวเองแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรามันถึงจะถูกแต่ละวันแต่ละวันเาไปด่าว่าพระคนโ น, น, น้ค น, โนคนนี้ด่าชี้คนโน้นคนนี้เห็นว่าพระเนนที่อยู่ธรรมจักก็เอากดเอาเต้นไปกลางขวางหมู่ขวางคณะมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งแทนที่จะแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา อย่างนั้นก็ออกจากวัดวันนี้ไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไม่รู้จักแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอนุเคราะห์ให้ก็มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวทานข้าวแล้วก็ออกจากวัดอย่า ก, กลับมาหเห็นหน้าอีกตูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขายโยพิจารณากายพิจารณาใจของเราถึงจะ ต, ตื่นขึ้นมา สมมุติเราก็ไม่ได้ลำบากก็จะได้ถึงมาถึงสภาวะสมมุติตรงนี้ก็ผ่านความลำบากมานานไม่ใช่ว่าครั้งหนึ่งครั้งเดียวหลายปีสามสิบกว่าปีถึงจะได้ใ ห, ให้พวกท่านได้อยู่ดีมีความสุขเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็ช่วยกันทําอย่างสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ มาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านอันนี้ส่งผลบุญทังนี้มาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันแทนที่จะมีความสมัครสมานสามัคคีเราก็พยายามแก้ไขเรามีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันทางลงทานลงครัวก็เหมือนกันอย่าไปแย่งกันทํามีอะไรก็ให้ช่วยกันพิจารณามันมีอยู่มีกินก็ดีแล้วไอ้ที่ไม่มีนะ่ยมันยิ่งลําบาก สมมุติก็ลำบากที่พักที่อาศัยก็ลำบากอันนี้ก็พยายามทําให้สมบูรณ์ทางสมมุติทีนี้ทางด้านจิตใจเราก็มารู้จักแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่ใช่ว่ามาสร้างสะสมกิเลสใช่ตัวเราต่อพยายามฝึกฝนตัวเราอบรมใจของเราอะไรที่ไม่ดีก็รีบแก้ไขเสียแก้ไขไม่ได้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ มาสร้างปัญหาให้แก้ไขปัญหาภายในของตัวเองไม่ได้ก็สร้างปัญหาไปทั่วอย่างนั้นก็ใช้การไม่ได้แทนที่จะมาฝึกขัดปฏิบัติขัดเก่าตัวเราโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดสมมุติก็ไม่ได้ลําบากกลับมาสร้างปัญหาให้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นแล้วก็ให้ กับสถานที่เราต้องพยายามบีบคอพิจารณาเรารีบแก้ไขไม่อย่างนั้นเราก็จะไปไม่ถึงไหนมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็อนุเคราะห์ให้ทุกคนมีความเฉืีสละเต็มที่มีความเป็นอิสระอิสระทางสมบุติ เราก็รู้จักวิเคราะห์พิจารณาตัวเราจึงจะ ต, ตื่นขึ้นมาทั้งสำมรวมทั้งกายวาจาใจนี่สำมรวมทั้งสมมติการที่จะพูดการที่จะคิดไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะคิดอะไรก็คิดนั่นแหละวิบากกรรมก็อยู่ที่วาจานั่นแหละวาจาก็ไม่รู้จักรักษากายก็ไม่รู้จักรักษาตัวจิตวิญญาณมันจะไปเข้าใจได้ยังไง ก็สร้างสะสมในกรรมใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักไหนว่าพระว่าโยมบัญชีก็เหมือนกันหมดมีใจเหมือนกันหมดเรามาอยู่ในเพศภาวะของนักบวชก็รู้จักแก้ไขคนที่มาอยู่วัดก็รู้จักสํารวมกายสํารวมใจตัวเองมีอะไรก็ให้ช่วยกันทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันเราหนีจากปัญหาอย่ามาสร้างปัญหา เรามาแก้ไขปัญหาภายในของเราแล้วก็แก้ปัญหาช่วยกันทางสมมติงานในวัดก็เหมือนกับบ้านหลังใหญ่เราก็ต้องช่วยกันดูแลดูแลทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบเรยียบร้อยที่พักที่อาศัยที่หลับพี่นอนกว่าจะได้มาอยู่ดีมีสุขได้ก็อาศัยความเพียรของหลายรุน มาอยู่ด้วยกันช่วยกันทําช่วยกันรักษาบางทีก็มาทะเลาะเบาะแวงกันแล้วก็ไปบางทีก็ฆ่ากันตีกันดุด่าว่ากันอแทนที่จะมาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เกิดประโยชน์ให้มากๆก็ต้องพยายามเอาพระเราชีเราก็เหมือนกันเห็นว่ามาที่นี่แล้วก็อยู่ดีมีความสุขอืม ให้ความอนุเคราะห์กับทุกคนก็อย่ามาสร้างปัญหาให้มันไม่ดีบอกแล้วก็บอกเตือนแล้วก็เตือนจะเตือนไม่เชี่วฟังก็ได้ออกจากวัด <c oughs> สามนเณรก็มาจากกรุงเทพก็มาหลายคนหลายองค์มีอะไรก็ให้อาจารย์จิตช่วยดูแลให้อย่าพากันเจ็ดครั้น พยายามสร้างความขายันมันเพียนสร้างความรับผิดชอบสร้างความเชื่อสละไม่เห็นแก่ตัวรู้จากสํารมกายสํารมบาชาสํารมใจของเรา <c oughs> ถ้าเราสอนเราไม่ได้จะให้ใครเขาสอนให้ละ่ะนอกจากตัวของเราเองเราพยายามเจริญสติเข้าไปมันพัฒน์สอนใจของเราอยู่ตลอดเวลามันควบคุมมันดูแล แก้ไขอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรควรดำเนินอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามสติก็ไม่ได้สร้างการดูแลการควบคุมก็ไม่มีวาจาก็ไม่รู้จักรักษามันจะได้ประโยชน์อะไรละ่ะมีตแต่จะพอกพุดกิเลสให้ตัวเองเราออกมาศึกษาจิตใจของเราออกมาเป็นผู้ละผู้ให้ให้อาภายัยอโหสิกรรม เราอนุเคราะห์โหติกรรมให้ทุกคนจะบอกกล่าวแล้วไม่เชื่อฟังก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันดูดีๆนะทั้งพระทั้งชีทั้งโยมโยมที่มาอยู่วัดก็เหมือนกันมีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยอย่าไปงอมืองอเท้าอย่าไปเกล็ดคลานดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ อีกอย่างหนึ่งนั่นก็ทรัพย์สินข้าวของต่างๆที่สำคัญขโมยขจนก็เยอะแต่ละวันก็รู้ขโมยก็มาคอยสอดสอดแหนมเผือเมื่อไหร่เขาก็ลักก็ชกเพราะว่าคนคอยขโมยก็คอยขโมยอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามดูแลแก้ไขของเราจับตัวไม่ได้ก็ยกให้เป็นกรรม ทางกฎหมายจับไม่ได้ก็ให้ยกให้เป็นกรรม <c oughs> คนหมู่มากถ้าไม่รู้จะแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราแล้วก็ทำให้สังคมบุ่นวายกว่าจะได้สมมติให้หน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมอาหารตาอาหารกายอาหารใจก็ช่วยกันทำความเป็นอยู่ ถ้าไม่มีผมวิหารทำไม่ได้หรอกพวกเราก็ได้เข้ามาอยู่มาอาศัยอะไรเราก็ช่วยกันอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนรประโยชน์ท่านประโยชน์สงสุดเราก็ช่วยกันแก้ไขหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่บอกแค่กล่าวแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมาตั้งนาน แล้วก็เอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่อก็เพียงแค่บอกแค่กล่าวตามแนวทางของพระพุทธองค์ถ้าคนเราเกียจคร้านเพียงแค่ความขยันมันเพียนความเฉละก็ให้มันมีเถอะการกระทําของเราก็ให้ถึงพร้อมแก้ไขตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันถึงจะเกิดประโยชน์อยู่ในวัดก็เหมือนกับเรือลําใหญ่เหมือนกับบ้านหลังใหญ่ คนนนจะเอาอย่างนั้นคนนั่นจะเอาอย่างนี้แทนที่จะไปนในทางเส้นเดียวกันแนวทางนั้นก็มีมาตั้งนานลงพอ่อยู่นี่มาตั้ง30สบกว่าปีแล้วใครเข้ามาก็เห็นหมดแล้วก็มาทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ไปบางทีก็มาเหยียบหัวเราแล้วก็ไปยกให้เป็นกรรมบางคนบางท่านก็มาด้วยแรงบูนมารีบตักทวงทำความเข้าใจ ก็ไปถึงจุดหมายได้เร็วได้ไวให้ปากฏขึ้นที่ใจของตัวเราถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มาทะเลาะเบาแวงกันไปเที่ยวว่าคนโน้นด่าคนโน้ น, น, โนดา่าคนนี้ละลานไปทั่ววัดเหมือนกับอยู่ในตลาดมันใช้การได้ที่ไหนก็ต้องพยายามคนที่เหลืออยู่ก็ต้องพยายามทั้งพระทั้งฉีนะฉีก็ช่วยกัน มีอะไรก็ช่วยกันทั้งลงทานลงครัวอย่าไปเกี่ยงกันมันมีให้อยู่มีให้ทานมีให้สะดวกสบายก็นบดีแล้วถ้าที่อื่นละ่ะเขาจะอนุเคราะห์ให้ถึงขนาดนี้ไหมรเรียว่าอนุเคราะห์เกินไปพมมิหารเกินไปก็เลยทำตัวเจ ก, กมเมล็กเกเรแทนที่จะมาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา สร้างความขยันมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบมองเห็นหนทางจเจริญสติมองเห็นแนวทางการปฏิบัติทําใจของเราให้สะอาดทําใจของเราให้บริสุทธิ์มันถึงจะถูกงานสมมุติมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโลกก็ทำสมมุติก็จะได้อยู่ดีมีความสุขไม่ใช่เอาแต่งอมืองอเท้าอคนเรา เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติคนมีความขยันมั่นเพียรทั้งปัญญาทั้งความสมมุติภายนอกมันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าไม่ขยันมั่นเพียรยากที่จะเข้าใจขยันมั่นเพียรขัดเกลอกิเลสสร้างพรมวิหารสร้างความเฉสละให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราจนปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเรา มองเห็นความเป็นจริงหมดความกังวลหมดความรังเลสงสัยนี่ท่านถึงบอกให้เชื่อคนเราเกิดมาด้วยแรงเวี่ยงพ ก, กรรมบางคนก็สร้างมาดีบางคนก็สร้างมามาเริ่มมาสร้างใหม่มาทําความเข้าใจใหม่คนเราระดับใจมันถึงไม่เท่ากันเรา ก, ก็พยายามเปลี่ยนใจของเราให้อยู่ในของสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นในพรลัสนไตยเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรำ เชื่อความตัดสู้ของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราผู้รู้ผู้มีปัญญาผู้มีบุญฟังนิดเดียวการเจริญสติเป็นอย่างนี้การทำให้ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามเป็นอย่างนี้การทำบุญให้ทานเพื่ออะไรเพื่อรักกิเลสเรารู้จักสํารวมกายสํารวมวบช า, าสํารวมใจของตัวเราทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออก จนหมดความสงสัยหมดความนังเลมองเห็นคนทางเดินรีบเดินให้มันถึงจุดหมายปลายทางกนันก็จะมีตั้งแต่ความสุขไอ้เพียงแค่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเพียงแค่ระดับสมมุติก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปละไปลานไปสร้างปัญหาขึ้นจากในน้อยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ในหลักธรรมท่านให้ละปัญหาดับปัญหาตั้งแต่ตัวใจตั้งแต่การเกิดของความคิดแล้วก็สมมุติคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกิดสร้างปัญหาปกคลุมดวงใจของตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบถ <c oughs> ึงแค่ปัญหาระดับสมมุติก็ยังแก้ไขไม่ได้ส่วนปัญหาวิมุตต์ตัวเกิดความคิดอารมณ์ต่างๆมันจะเข้าไปแก้ไขได้อย่างไงก็ต้องพยายามกัน กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรต้องให้กายให้ใจวิเวกขณะทําการทํางานนี่แหละกายทําหน้าที่อย่างไรเราก็ต้องดูมีหมดอยู่ในกายของตัวเรายัางจะมามัวเมาทะเลาะเบาะแวงกันเสียดายเวลาเรามีโอกาสเนีมาสร้างบุญร่วมกันอนุเคราะห์กันแต่และ ว, วันแต่และ ว, วัน ลำบากนะอลำบากกว่าจะได้มีพร้อมเพียงพร้อมมวลทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่ไมก่อนยิ่งลำบากแม้แต่ถ้วยชามก็ยังไปขุดอธรรมรุมศพมาไว้ใส่กับข้าวกับปลาไม่มีถึงขนาดนั้นทุกวันนี้ก็อํานาจแห่งบุญแรงบุญของทุกคนก็หล่อร้อมรวมกันมาไม่ให้อดไม่ให้อยาเราก็มาสร้างอันนี้สงบุนให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เอามาทําลาย ทุกคนก็ปรารถนาที่จะมาหาทาง เ, เพื่อที่จะเดินให้มันถึงจุดหมายปลายทางกันในหลักธรรมแล้วทั้งความอยากกิเลสอยากพิเลสละเอียดเราศึกษาแล้วหรือย่างการแยกรูปแยกน้ำอะไรคือรูปอะไรคือน้ำอะไรคือวิญญาณในขันห้าอะไรคือวิญญาณในกายของตัวเรากิเลสอยากเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรนิวรธรรมเป็นอย่างไรวิปัชนายานวิปัชนาภูมิ การยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นสู่ที่สูงเป็นอย่างไรการสร้างพลังจิตเป็นอย่างไรไม่สนใจกันมันจะไปได้จะไปรู้เรื่องอะไรอย่างแค่บนของสมมติก็ทำให้ดีเถอะมีอยู่มีกินก็มันก็ดีแล้วให้ช่วยกันทำเราจ้องปฏิบัติขัดเก่าตัวเราทุกขณะจิตต้งกระตินขึ้นจ้งกระทั่งนอนหลับ อะไรขวละอะไรควรคจเจริญกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ดับเมื่อนั้นคนจะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ อ, อาศัยอานิสงส์แห่งบุญศรัท ธ, ธาแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาด้วยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวละลานคนโน่นไปเที่ยวละลานคนนี้กูดีมึงไม่ดีมึงดีกูไม่ดีอยู่เงี้ยแทนที่จะรีบตักตวงอา น, นิสงส์ให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเรา ในสงทางสมมุติก็ทําให้เต็มเปี่ยมหลวงพ่อก็พาทําอยู่ตลอดทุกเรื่องตั้งแต่ปากทางถึงก้นครัวมองบนมองล่างมองกลางใจของเราให้มันได้ใช้ตัวเองให้มันเป็นแต่ละวันแต่ละวันก็ได้ยินคนโน้นว่าการคนนี้ว่าการคนนี้ทะเลาะเบาแวงกันแต่แก้ไขตัวเองไม่ได้ก็ช่วยเหลือไม่ได้อ่าตั้งแต่ละพรกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ทำผัดทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังไปด้วยน้อมสาเนียกไปด้วยหลงจุดลมหายใจเข้าไีเยาะเยาะลึกๆ พ่นลมหายใจามายาวๆเพียงแค่เรื่องการเจริญสติอานาปานสติเราพยายามฝึกฝนให้เกิดความเคยชินถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเข้มแข็งขึ้น เราก็จะได้รู้ลึกลงไปอีกว่าการเกิดคองใจหรือ ว, ว่าวิญญาณในกายของเราปรุงแต่งส่งไปภายนอกได้อย่างไรขันห่าหรือว่าความพิดที่เราไม่ตั้งใจคิดผดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรเขาเคลื่อนรวมกันเป็นตัวเดียวกันได้อย่างไรความรู้ตัวของเรายัางไม่เข้มแข็งยังไม่ต่อเนื่องก็เลยรู้ไม่ทันตรงนี้ นั่นแหละเพียงแค่การเจริญสติก็พยายามทำให้ได้เอาไปใช้การใช้งานให้ได้วิเคราะห์ตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันเป็นพื้นฐานที่จะเดินปัญญาไปสู่ที่สูงและถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่มีใครจะทำให้เราได้เลยการปฏิบัติใจจะไปนึกเอาไปคิดเอานั้นไปไม่ถึงเราต้องเอาใยปัญญาของู้รู้อาัยปัญญาของพระพุทธองค์ ที่ท่านค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยตามปกติจิตใจของแต่ละดวงนั้นสะอาดบริสุทธิ์มีมาตั้งแต่เดิมความหลงทำให้เขาเกิดมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขนาันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็มาเกิดต่อเกิดขณะที่ยังมีลกมีลมหายใจอยู่นี่แหละคือความคิดต่างๆไม่อยากจะเกิดเราก็ต้องดับความเกิดละกิเลสคลายความหลงให้หมดจด มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเราก็พากันมาก่อมาล่างสร้างจากในน้อยไปหามากๆบุญสมมุติบุญวิมุติ ทําให้เตรียมที่ก่อนที่เรายังมีกําลังกายอยู่ทั้งหมดกําลังกายหมดลมหายใจก็มีแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเทราะนั้นแหละคนเราถ้าไม่จบกันก็ไปด้วยแรงเหวี่ยงของกรรมก็ต้องพยายามกันเอาสร้างความรู้หรือรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออ ก, กทบปลายจมูกของเรานาะอ่ะไหวรพรัม่มพอมกันค่อยไปสร้างทานันเตาะทําความเข้าใจกัน Nah